พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งชินการมารินีปรกรณ์เจริญพรชินการมารินีปรกรณ์นะแล้วก็มีมีอีกหลายคัมภีร์ที่กล่าวถึงแต่ว่าในอัตถกถาทั่วไปนั้นจะกล่าวเมื่อได้รับพุทธภยากรนับวันที่ได้รับพุทธยากรเป็นต้นมาเพราะว่าผู้ที่ได้รับพุทธภยากรแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคําพูดของพระพุทธเจ้าเนี่แน่นอนมั่นคง แน่นอนว่างั้นเที่ยงแน่นอนเหมือนกับคนเนี่ยโยนของขึ้นข้างบนฟ้าเนี่ยนะตกแน่นอนอยังไงก็ตกวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนอย่างนั้นเหมือนกันก็บอกว่าผู้หญิงที่ท้องและคลอดแน่นอนว่งั้นหรือคนแบกของหนักๆ น, นะไปถึงที่วางเนี่ยนะวางแน่นอนว่างนานั้นวาจาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนฉนนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยตกแน่นอนคนเกิดมาแล้วตายแน่นอนอลนนักษณะนี้วาจาพระพุทธเจ้านี่แ น, น, น, น่นอนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านะ จะต้องปรารถนาให้ได้สมบัติแปประการให้บริบูรณ์ก่อนให้มาประชุมพร้อมก็คือในการสร้างอาภินิหารอาภินิหารนี้ย่อมสำเร็จได้ก็เพราะการประชุมของธรรมะแปดประการมนุษยสัตวังลิงขสัมปติเป็นต้นนั่นงคือหนึ่งความเป็นมนุษย์ต้องเกิดเป็นมนุษย์ก่อนสองถึงพร้อมด้วยเพศสามมีเหตุมันกันทเหตุก็สี่การเห็นภาาสดา ข้อห้าการบวชหรือบรรพชาข้อหกถึงพร้อมด้วยคุณข้อเจอธิการข้อแปดก็คือความพอใจนะองแปดเนี่ยนะองประชุมแปดอย่างนี่แหละที่จะทําให้อภินิหารสําเร็จได้เพะั้นไอ้คาว่าอภินิหารเป็นชื่อของมูลปณิธานปณิธานก็คือความตั้งใจหรือความป่าทะนานั่นแหละความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะเอาให้ได้แต่ก็ต้องมีองค์ประชุมนะ อยากอย่างเดียวพอไหมไม่พอเนาะปรารถนาอย่างเดียวก็ไม่พออั้นองค์ประชุมของความปรารถนาทุกๆเรื่องนะต้องมีองค์ประชุมนะจึงจะสําเร็จได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมสังขารธรรมนั้นต้องได้ปัจจัยประชุมจึงจะเป็นไปได้ทุกๆสังขารในการประชุมธรรมะแปรประการนั้นคําว่าความเป็นมนุษย์ได้แก่เป็นมนุษยชาติต้องเกิดในชาติมนุษย์ก็คือปฏิเสธอะไร ปฏิเสธความเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรฉานปฏิเสธความเป็นเทวดาปฏิเสธความเป็นพรหมรูปพรหมัสสรุปเลยเป็นมนุษย์อย่างเดียวห่วงกันเขาบอกว่าด้วยว่านอกจากมนุษย์ชาติแล้วปณิธานของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในชาติที่เหลือทั้งหลายแม้จะเป็นชาติเทวดาก็ตามก็ย่อมสําเร็จไม่ได้เพราะบุคคลที่ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า ทำบุญกรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นแล้วเพึงปรารถนาความเป็นมนุษย์เท่านั้นผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติพึงตั้งปณิธานด้วยว่าอภินิหารย่อมสําเร็จอย่างนี้มันถ้าจะไปเกิดเป็นภพอื่นๆนะต้องปรารถนาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนอันดับแรกถ้าไปอยู่ที่อื่นนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วสบายแต่มนุษย์อย่างเดียวข้อเดียวไม่พอนัมีข้ออื่นๆอีกนะแต่ว่าถ้าไปเป็นภพอื่นอยู่นะต้องปรารถนาให้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนสมมติถ้าเกิดเป็นพญา น, นาคอยู่อย่างนี้นะ พยานนาคเนี่ยต้องนั่งรถหลายทอดนะต้องอธิษฐานความเป็นมนุษย์ก่อนแต่เป็นมนุษย์อ่ะเป็นเพศอื่นได้ไหมเป็นกระเทยเป็นอย่างอื่นได้ไหมท่านก็กล่าวว่าต้องถึงพร้อมด้วยเพศลิงคสัมปัติถึงพร้อมด้วยเพศได้แก่ความเป็นบุรุษต้องเป็นชายก็ปณิธานของสตรีกระเทยรูอุปโตพยานชนกคนสองเพศเนี่ยนะแม้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติก็ย่อมสําเร็จไม่ได้ ด้วยว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมนุษยชาตินั้นเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าทำบุญกรรมทั้งหลายมีทันเป็นต้นแล้วเพิ่งปรารถนาความเป็นบุรุษเท่านั้นถ้าเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นอย่างอื่นอยู่นะต้องโอ้โหปรารถนาอีกใหม่เป็นมนุษย์ได้แล้วใช้ได้แล้วแต่ต้องปรารถนาเป็นชายอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ดำรงอยู่ในความเป็นบุรุษนั้นพึงตั้งปณิธานอภินิหารย่อมสําเร็จได้ด้วยประการชนีแต่อย่าประมาทนะเขาบอกว่าปงเนี่ย บุคคลเนี่ยนะหรือบุรุษเนี่ยนะมาจากปุงก็ว่างั้นปุงเนี่ยเท่ากับนรกเหมือนกันเขขู่เคลื่อนไปนรกนะบุรุษเนี่ยอศัพท์หนึ่งไม่งั้นมันเคลื่อนไปนรกง่ายเหม่งันนะปุริสะเนี่ยนะเขวิเคราะห์ศัพท์นะเจอที่ไหนก็อิธีภาวะปุริสะภาวะไอปุริสะตัวนั้นเนี่ยบอกว่าปรุงเท่ากับนรกเหมือนกันปุงเนี่ยนะปุริสะเนี่ยนะมาจากปุงบุคละอะบุคคลอย่างเงี้ยเอาเคลื่อนไอคละตัวหลังเนี่ยบุคละเอาเคลื่อนนะเคลื่อนไปสู่นรกแต่ส่วนใหญ่เหมือนกัน ท่านกล่าโดยส่วนมากเลยนะเพศชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้ดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีส่วนใหญ่ก็กลับบ้านเก่าผู้ชายเนี่ยทําบาปไม่ไ ม, ไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าจะงดเว้นด้วยการรักษาปานาธิบัติไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าจริงๆจะถูกขฆ่าก็ยอมแต่ถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเกินคนธรรมดาฆ่าอย่างกันฆ่าได้สุดยอดเลยอ่ะอาทินนาทานเนี่ยนะมันเครียกว่ามหาอาทินนาทานปล้นคนทั้งชาตินะ่ะ โกงระดับโลกได้การเมก็โหยกาเมย์ไม่รู้กาเมย์ขนาดไหนพระราชายิ่งสมัยก่อนนี่การเมย์ไม่ธรรมดานะไปเที่ยรบหาบ้านเมืองอื่นๆเนี่ยนะเพื่อที่จะเอามาเป็นเมยียเป็นอะไรต่างๆนั่นเองการเมก็มากมายมูสาเนี่ยพูดทิ้งหลอกคนนั่งมากนั่งเมืองอย่างนี้นั้นบุรุษบุคคลทั่วไปนั้นสา ม, มารถทํำบาปได้อย่างวิกฤตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสา ม, มารถทําบุญได้อย่างมากมายมหาศาล เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะคิดได้เหมนบุรุษบุคคลนั้นจึงเป็นบุคคลที่มีความพยายามบากบั่นสูงมากนะข้อแรกเป็นมนุษย์ใช่ไหมข้อสองเป็นชายก่อนข้อสามต้องมีเหตุคําว่าเหตุก็คือถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยในชาตินั้นจะต้องได้เป็นพระอรหันต์อุปนิสัยเนี่ยเหตุของเก่ามาดีแล้วนะชาตินั้นเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ฟังไม่ต้องฟังมากนะ เขาบอกว่าพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายนั้นถ้าท่านเป็นอุคติตันยูนะถ้าฟังธรรมเฉพาะหัวข้อเนี่ยเป็นอุคติตันยูบุคคลเนี่ยถ้าฟังธรรมปุตบรนลุเป็นพระุอาหารสั้นๆบุคคลนี้จะมาเป็นพระโพธิสัตว์แบบปัญญาธิกะแต่ถ้าหากว่าเป็นประเภทวิปัญจิตันยูจะต้องขยายพอสมควรเนี่ยนะจึงจะบรรลุได้คนประเภทนี้ถ้าปรารถนาจะเป็นภาพสัมมาสัมพุทธเจ้า ป, ประเภทศรัทธาธิกะ แต่ถ้าเป็นประเภทนัยะบุคคลเนี่ยนะโอ้ยนอนหน่อยอย่างเงี้ยกว่าจะได้บรรลุเนี่ยทั้งบวชทั้งเรียนทั้งเขียนทั้งอ่านสารพัดอะ่ะจึงจะบรรลุได้พวกนี้ถ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นวิริยาธิกะแต่สรุปว่าชาตินั้นจะให้มันจบวันนั้นก็ได้ชาตินั้นจะขอเป็นพระุอาหารชาตินั้นก็ได้จะไม่ต่ออีกก็ได้สี่อสงไขยแปดอสงไขยสิบหกอสงไขยนี่จะไม่ต่อก็ได้จะเอาให้จบวันนั้นเลยก็ได้แต่ท่านไม่ยอมจบอ่ะ นั่นจะต่อก็บุคคลใดยพยายามอยู่ในอัตภาพนั้นสามารถเพื่อจะบรรลุพระอรหันตได้อภินิหารย่อมสําเร็จแก่บุคคลนั้นหาสําเร็จแก่บุคคลนอกนี้ไม่เหมือนสําเร็จแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะไอตอนที่นอนลงกับพื้นนะถ้าท่านจะฟังทำเนี่ยนะไม่เกินสองบรรทัดพระพุทธเจ้าผู้เรื่องอริยสัจไม่เกินสองบรรทัดเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแต่ แม่อเขาบอกว่าอารหัตผลที่จะเงื้อมจับได้เอาไว้ก่อนรออีกอสี่อสงไขยแสนกลับแล้วค่อยเอาเพื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นพระคุณของพระองค์เนี่นะฮะที่ทําไมจึงเสียสละขนาด น, นั้นถ้าท่าน่จะบรรลุมรรคผลได้อยู่ยนั้นเลยเนี่ยนะตอนเป็นจุเมดาบทนี่นะครับบรรลุเลยนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกอสกี่อสงไขยแสนกลับพเพื่อที่จะบําเพ็ญบารมีด้วยความทุกข์ยากด้วยความลําบากมากเพราะฉะนั้น การที่ท่านนำพระสูนีมาก็เพื่อที่จะแสดงให้เราเห็นพระกรุณาของพระองค์ครับเชิญพอนช้างก็สืบพอกอสงไขแล้วอ่ะแนวความคิดพฤติกรรมคําพูดเนี่ยนะสะสมมาเพื่อจุดนี้เนี่ยมามากแล้วใช้เวลามายาวนานล้ะแต่ว่ายังไม่ได้ประชุมพร้อมอันนี้คือถ้าประชุมพร้อมอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์แต่สัตว์ทั่วๆไปเขาก็เรียกโพธิสัตว์เหมือนกันแต่โพธิสัตว์นี่กี่อย่างนะเคยได้ยินนะ โพธิสัตว์มีสามอย่างนะหนึ่งผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามหาสัตว์แต่ถ้าหากว่าปรารถนาเป็นพระประเจกก็เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันแต่ก็หาโพมันต้นไม่ใหญ่เท่านั้นนะ่ะต้นเล็กกว่า น, นั้นหน่อยโพธิแบบพระประเจกนะแล้วก็พวกเราก็เป็นสาวกกับโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันโพธิแปลว่าการตรัสรู้หรือว่าธรรมะที่ทําให้ตรัสรู้นะสัตว์ก็คือผู้คล่องอะผู้คล่องอยู่ในการตรัสรู้แต่ว่าตรัสรู้ระดับไหน เพราะว่าอารหัตตมรักเนี่ยนะบางคนก็เป็นประเภทสุขวิปสัสสกใช่ไหมบางคนก็จะเป็นประเภทอภิญญาหกบ้างวิชาสามบ้างปฏิสัมพิทาสีบ้างมีโมกแปดบ้างบางคนก็ได้สาว ก, ก บ, บารมีบ้างบางคนก็ได้อป็สีติบ้างบางทีก็ได้เป็นเหมือนกับภาษารีบุตรพอเหมือนกับพระโมคขาลานะจบเหมือนกันได้จบแล้วไปทํางานอะไรอ่ะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เหมือนกันจบแล้วจะไปเป็นอะไร ถ้าจบแบบไม่มีชื่อมีเสียงมีมีอะไรพักอย่างเลยนะอันนี้ก็จบไม่ยากนะแต่ก็จบเหมือนกันแต่ก็ไม่มากนะักแต่ก็อย่างว่านะไม่ต้องเอ่ยเชิญไารู้จักบ้างในกลุ่มหนึ่งพันอย่างเงี้ยหนึ่งในจํานวนพันอยู่ทักกลางๆหรือเออท้ายอาจจะเด่นหน่อยนะองค์สุดท้ายคือใครอาจจะอยู่ในช่วงกลางๆอ่ะนะยอดจัดอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งในข้าวเปลือกกองเป็นโกดังอ่ะนะเป็นข้าเปลือกเม็ดหนึ่งในโกดังอย่างเงี้ยมันก็อย่างว่า <c oughs> ถ้าหากว่าคนที่ร้อนจริงๆะนะก็เอาๆกันเขาบอกจะไปแล้วไม่เอาแล้วนะแต่แปลกนะคนที่จะเอาใหญ่ๆนี่เขากลับข้ามไปได้หมดแล้วว่าเรือเล็กๆยังไม่ทันได้ไปไหนเลยจอดเทียบท่าสกายะอย่างนั้นนะข้อที่สี่ก็คือการเห็นภาษาสดาหวนะัวเงินการเห็นจะต้องเป็นการอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยว่าทีินิหารย่อมสําเร็จด้วยประการชนนี้ หาสําเร็จโดยประการอื่นไม่คือต้องไปปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้านะโอกว่าจะหาพระพุทธเจ้าเจอเนี่ยระยะเป็นน<ม>ี้แล้วเนอะไม่หาที่ปรารถนาที่อื่นก็ไม่ได้เนอะมันการเห็นพระาศาสดานั้นมีความสําคัญมากเหมือนสุเมธบัณฑิตนั้นสุเมธบัณฑิตนั้นก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกอส่วนข้อที่ห้าต่อไปก็การบรรปชาต้องได้บวช ด, ด้วยในชาตินั้นต้องได้บวช ต้องเป็นอนาคาริกไม่มีเรือนไม่มีบ้านช่องห้องหอสักอย่างมันกันก็ความเป็นอนาคาริกนั่นแลย่อมควรในศาสนาหรือในนิกายของดาบทและปริภาชกผู้เป็นกรรมวาทีและกิริยวาทีเหมือนควรแก่สุเมธบัณฑิตฉะนั้นคือคนที่จะปรารถนาอันนี้ได้เนี่ยนะต้องเป็นนักบวชแต่เป็นนักบวชในศาสนาก็ได้เป็นพิสุก็ได้หรือเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นฤาษีก็ได้ แต่ต้องเป็นกรรมวาทีเชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นกิริยาวาทีเชื่อความเพียรพยายามอย่างเงี้ยอย่างนั้นจึงจะตั้งปณิธานความปาธนาสําเร็จได้อันนี้ข้อห้าอันนี้เมื่ออ่านถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นความสําคัญของกรรมสกทาปัญญามากเลยน ะ, นะแส้งว่ากรรมสกตาปัญญาต้องมีการบ่มให้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโน้นเลยโนะบราณค่านข้างพอตว้<อ> ง, <อ>งานานแล้วเราเนี่ย นะแล้วเราคิดตัวเราเนี่ยเราเข้าใจกรรมสกตาปัญญาแค่ไหนบางทีคนไม่มีความรู้เรื่องกรรมสกตาสารรมะทิฏฐิเลยแต่โดดเข้าไปจเจริญวิปัสสนาเนี่ยแกเราว่าจะไปเอาเข้าวจบเลยนะก็มาเนี่ยศึกษาทางโลกต่ำๆใช่ไหมเอ๊จะเข้าไปในวิทยา ล, ายลยัยไปขอทําปริญญาเอกเนี่ยเขาให้หรือเปล่าไม่รู้เนาะคงไม่ให้นะเสียสถาบันก็หมดอ่ะอาจจะว่าเอาเองได้การศึกษาวิปัสสนาที่จะเข้าถึงมรรคผลเหมือนกัน คือในเรื่องตรงนี้นะเราอาจจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบก็ได้บางคนเขามาถึงเขาอาจจะศึกษาเรื่องวิปัสสนาเลยก็ได้เพราะของเก่าเขาเยอะอนะเพราะว่าชีวิตในสังสารวัตรที่มันยาวนานที่บอกว่าน้ําตามมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะบางคนเขาอาจจะมีมากมายขนาดนั้นมาถึงก็มาขอฟังไอ้จุดจบสุดท้ายเหมือนพระพายะเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าพระพายะมีไม่กี่องค์นะรู้สึกจะองค์เดียวด้วยในคัมภียนะ ของเรานี่ไม่ใช่เลยนะอยู่ในวัดมาตั้งนานแล้วออาทีนี้ต่อไปว่าความถึงพร้อมแห่งคุณได้แก่การได้คุณธรรมมีฌานเป็นต้นด้วยนะในชาตินั้นต้องมีฌานด้วยนะต้องได้ฌานได้อภิญญาด้วยนะไม่ไม่ไมธรรมดานะก็อภินิหารย่อมสําเร็จแก่บุคคลแม้บวชแล้วผู้ถึงพร้อมด้วยคุณเท่านั้นย่อมไม่สําเร็จแก่บุคคลนอกนี้ นะไม่ใช่บวชตัลบตุปั๊ตุเป๋งยสักวันวันวั น, ว น, วนหนึ่งไปยังไงไม่ใช่นะต้องมีฌานอยู่ในใจอ่ะในขณะนั้นคุณวิเศษในตนเนี่ยมีอยู่แล้วเหมือนสาเร็จแก่สุมเมธบัณฑิตเช่นั้นสุมเมธบัณฑิตนี้ได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดไม่มีอยู่คืออาสวัคยายานไม่มีวิชาแทงตลอดอริยสัตว์เท่านั้นเองวิชาที่เหลือมีหมดเลยหูทิพตาทิปรู้ใจเนรมิตอะไรพวกนี้รู้หมดอะทําได้หมดอะ สมาบัติเนี่ยจะเข้าสลับลําดับยังไงได้หมดเลยอันนี้นี่เรียกว่าปรารถนาเพื่อให้ได้รับพุทธบุตรกรอนะอันนี้นี่จุดเริ่มต้นของเริ่มต้นเพื่อความแน่นอนเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์โดยแน่นอนแล้วข้อที่เจ็ดคืออธิการอธิการนี่ก็ได้แก่การกระทําอันยิ่งการกระทําที่ที่ไม่ธรรมดาว่างั้นหมายถึงการบริจาคกันนะ อภิเนหายอมสำเร็จแกบุคคลผู้ทําการบริจาควัตถุมีชีวิตเป็นต้นกล้าสละชีวิตได้อะในช่วงนั้นนะตั้งปณิธานไว้เท่านั้นว่างั้นหาสําเร็จแก่บุคคลนอกนี้ไม่นะี่ยเขบอกว่าทําย่อเย่อแยแยเนี่ยนะคือปรารถนาโดยที่ยอมสละเล็กๆน้อยๆ น, นะอาจจะได้แต่ว่าปรารถนาเพื่อปรารถนาอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ให้จุดตรงนี้เงื่อนไข ย, ยังไม่พออันต้องกล้าสละชีวิตได้ว่างั้น่ะ สุเมศบัณฑิตนี้กล้าสละชีวิตเลยนะซึ่งเราจะได้ฟังต่อๆไปว่าเข้าไปนอนให้พระเหยียบเลยนะเอาตัวนี้ไปทอดเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าให้พระสงค์เนี่ยเหยียบจะตายคาตรงนั้นก็นไม่ได้รู้สึกอะไรสละได้ขนาดนั้นน่ะนะซึ่งเราจะได้ฟังกันต่อๆไปก็สุเมศบัณฑิตนั้นทําการบริจาคชีวิตแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอ พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหลายคือพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นหลายๆรูปเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะทรงเหยียบข้าพเจ้าไปยาได้ทรงเหยียบเปือกตมเลยขอการกระทําอันยิ่งนี้จัดเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้ายอมตัวเป็นสะพานเหมือนกันให้เขาเหยียบเพื่อที่จะข้ามจากโคลนตมลมเลเละนั่นแหละให้ข้ามพ้นไปได้อธิญี่ปุข้อสุดท้ายนี่เนี่ยมันหนักใจมากก็คือข้อสุดท้ายเนี่ยนะ ข้อหนึ่งถึงข้อเจนี่ดูถ้าจะไม่ธรรมดาเท่าไหร่ข้อสุดท้ายเนี่ยนะมาฟังดูอัธยาศายตรงนี้เนี่ยทาให้ตถาคตโพธิ์ที่ศถามมากขึ้นเขาบอกว่าฉันทะฉันทะคือความพอใจเนี่ยไอ้พอใจนี่ไม่ใช่พอใจแบบธรรมดานะก็บอกว่าได้แก่ความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทําความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทํานั้นของบุคคลใดมีกําลังอภินิหารย่อมสําเร็จแก่บุคคลนั้น ก็ความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทำนั้นเพิ่งทราบว่าถ้าบางคนกล่าวว่ามีคนมาอุปมาอุปไมยก่อนอะ่ะใครเล่าไม่อยู่ในนรกตลอดสี่อสงไขยแสนกับแล้วย่อมปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ไซบุก ค, คนใดได้ฟังคำนั้นแล้วย่อมอุตสาหะเพื่อจะกล่าวว่าเราฉันนี่แหละจะอยู่ในนรกสี่อสงไขยแสนกับะ ความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทําของบุคคลนั้นชื่อว่ามีกําลังเออถ้าใจขนาดนี้พอได้ก็ก็บางแห่งนะก็บอกว่า อ, อจะบวจริงขนาดไหนมันกันที่ น, น, น, น, นี่อดยากนะโอ้หลวงพ่ออยู่ได้ทำไมผมจะอยู่ไม่ได้เออถ้ายังงี้มาได้ก็มันในวัดทั่วๆไปนะั่นเราอาจจะเคยได้ยินอ่าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จะลักษณะนั้นนีบอกโอ้ยใครจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องไม่อยู่ในนรกเนี่ยเสียสงไขยเนี่ยอยู่ได้ไหม ว้สบายมากเหมือนั้นอาจะอยู่อะเขาบอกเอ๊ะคนบางคนเนี่ยนะคือคือถ้าคนบอกเอ๊ะมองอย่างนี้ทําไมจะต้องไปเปลืองตัวเสียสละขนาดนั้นนะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อแต่เราคิดดูในชีวิตของชาวบ้านทั่วไปที่เขาเลี้ยงลูกเขานะเขาทํางานเหนื่อยนะจะว่าไปทํางานเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ําเนี่ยเพื่อทํามาหากินรวบรวมทรัพย์เนี่ยถ้าเฉพาะตัวเองจริงๆเนี่ยมันไม่กี่ถ้วยแล้วกินนิดๆหน่นนนนอยๆก็อิ่มแล้ว แต่ทำไมจะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอาบเหงื่อตากน้ำไปตากแดดตากลมตากไฟเนี่ยหนาวเน็บก็ไปตากน้ำค้างอย่างไงใช่ไหมแดดร้อนๆก็ไปตากแดดคลําแดดคลําฝนทำไมจะต้องสู้ทนขนาดนั้นเขาบอกเพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อครอบเพื่อครัว เ, เ, เขาก็ทำได้พระโพธิสัตว์ที่ท่านมีใจขนาดนี้ก็เหมือนกันท่านมองสัตว์ทั้งโลกนี่เหมือนกับลูกท่านหลานท่านแต่ถ้าใครไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะเหนื่อยบ้างก็คุ้ม เพื่อความสุขของสัตว์นะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายท่านทําได้แล้วท่านก็ทําเสร็จแล้วด้วยนะของเราเนี่ยเอาเอาตอนจบมาแล้วเนี่ยนะถ้าตอนนี้ใครจะคิดเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าแต่นี้เราเอาคนที่เขาทําสําเร็จแล้วมาเรียนนะเนี่ยเขาทําได้แล้วอันหนึ่งความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะทํานั้นพึงทราบว่าถ้าบางคนกล่าวว่า ใครเล่าเหยียบข้ามสกุลจักรวาลอันเต็มด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวแล้วย่อมปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าห่วงจักรวาลเนี่ยนะสะกุลจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมีแต่ฐานเพลิงนเนี่ยนะก้อนแดงๆเนี่ยนืก็เหมือนกับลาวานเนี่ยท่วมโลกอ่ะสา ม, มารถที่จะเดินเหยียบไปได้อะเดินเหยียบย่อมอยู่ตลอดได้คนนั้นแหละใจขนาดนั้นอ่ะจึงจะทําได้ถ้าใจอ่อนงันนั้นเนี่ยถึงท้อระหว่างทางๆๆหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่า ใครเล่าเหยียบข้ามสกอนจักรวาลอันเกลื่อนกล่ น, กลนไปด้วยหอกและเหลาแล้วย่อมปรารถนาะความเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้มีแต่ดงระเบิดเนี่ยเต็ม่ปหมดเลยนะกล้าเดินลุยได้อ่ะดงหอกดงหรือว่าเศษแก้วเนี่ยในสมัยนี้น่ากลัวกับเศษแก้วถึงมาเต็ ม, ม่ปหมดเลยเดินเหยียบผ่านไปได้ลุยได้นะใจขนาดนี้จึงจะปรารถนาได้ใครเล่าลุยข้ามสกอนจักรวาลอันเต็มด้วยน้ํา ปริ่มฝังแลว้วย่อมปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคือมองเห็นเนี่ยนะน้ําท่วมจักรวาลอะสามารถที่จะว่ายข้ามได้อะ่ะยกตัวอย่างเช่นว่าใจเนี่ยต้องขนาดนั้นอะเหมือนเหมือนพระมหาชนกใช่ไหมพระมหาชนกเนี่ยท่านว่ายข้ามทะเลอะ่ะทะเลมันก็อยู่เท่านั้นของทะเลมาเป็นอย่างนี้มานมนานแล้วแต่ใจของท่านเนี่ยอัธยาศัยของท่านมันยิ่งใหญ่มากจนกล้าที่จะว่ายข้ามได้อะ่ะ แต่คนทั่วไปโอ้ใครจะไปไหววะทีก็บอกว่าที่จริงทะเลก็เท่านั้นแหละแต่อยู่ที่กำลังใจของใครอยู่ที่กำลังใจของใครเท่านั้นเองในในอัธสาลีเนียท่านกล่าวถึงกระรอกกระรอกที่มีลูกไปตกน้ำเสร็จแล้วลูกจมไปในน้ำทะเลในน้ำทะเลเนี่ยพัดไปโอ้ยสงสารลูกจะช่วยลูกทาไงจะวิทน้าทะเลว่าไงเอาหางเนี่ยไปจุมแล้วก็ลุกขึ้นมาสะบัดสะบัดสะบัด ก็อยู่อย่างนี้จนพระอินทร์ต้องรอนน่ะลงมาถามว่าท่านทําอย่างนี้ท่านตายใช่เปล่าก็บอกว่าท่านไล่พระอินทร์หนีไปเลยนะไปเถอะคนขี่เกียจขี้ค้านเราไม่เสียเวลาคุยกับท่านหรอกใช่ไหมก็ก็กยังมีที่เล่าว่าคนที่ผลิตหลอดไฟคนแรกเลยนะคนที่ผลิตหลอดไฟคนแรกเขาทําว่าทําไมคุณมีความเพียรพยายามที่จะประดิตไอ้หลอดไฟอันนี้ขึ้นมา ก็บอกว่าถ้าหากว่าผมทําอันนี้ยังไม่สําเร็จผมไม่มาเสียเวลานั่งคุยกับคุณหรอก็ผมจะไปทําของผมต่อะเขาไม่เลิกนะคนที่ประดิษฐ์พวกหลอดไฟพวกประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงพวกนี้คนแรกเลยนะเขาจะทำอยู่อย่างนั้นก็บอกว่าลองผิดลองถูกได้เป็นหมื่นหมื่นครั้งโดยที่ที่ไม่ทอ้อถอยไม่เลิกราเขาสามารถทําได้เป็นหมื่นหมื่นครั้งจริงๆอันคนพวกนี้เนี่ยจิตใจเขาขนาดนั้นะหรืออีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าใครเล่า ย่มยีก้าวล่วงสกุลจักรวาลซึ่งดารดาดาตไปด้วยกอภัยชั่วนิรันด์แล้วย่อมปราถนาความเป็นพระพุทธเจ้าดังนี้ไซบุคคลใดได้ฟังคํานั้นแล้วย่อมอุตสาหะเพื่อจะกล่าวว่าเราความเป็นผู้ปราถนาเพื่อจะกระทําของบุคคลนั้นชื่อว่ามีกําลังกําลังใจต้องขนาดนี้นะจึงจะเพียงพอว่างั้นความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยดีแล้วแหละที่ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าใช้ได้แล้ แต่ว่าธรรมะองค์ประกอบทั้งแปดอย่างนีต้องเข้ามาสนับสนุนนะจึงจะเป็นไปได้สุเมศบัณดิตประกอบด้วยฉันทะคือความเป็นผู้ปรารถนาะเพื่อจะทำเห็นปานี้ได้ตั้งปณนิธานแล้วแหละนะท่านสามารถรวบรวมกว่าจะได้แปดอย่างนี่มามาเพียบมาพรา้อมมากระทำให้บริบูรณ์เนี่ยจึงจะได้ถ้ามีคุณธรรมขนาดนี้จะได้รับพุทธพยากรณ์จากสานักของพระพุทธเจ้า เราเอ๊ะคิดจะเกิดให้ท่านพระพุทธเจ้ายัางยากเลยนะไปให้ท่านพยากรณ์ี่แต่ถ้าใจถึงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันที่จริงนะธรรมะแปประการนี้นะครับก็คงไม่ใช่ว่าเป็นธรรมะที่จะบำเพ็ญให้เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะอันที่จริงลองมาดูทุกข้อเลยนี่นะครับเป็นธรรมะที่มีไว้เพื่อที่จะเป็นคุณสมบัติของพระผู้มีภาคจะมาสงเคราะห์สัตว์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะต้องมีฌานจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆทุกเรื่องเลยในนี้นะครับเป็นเรื่องที่นํามาส่งข้อสัตว์ทั้งนั้นเลยเมืเ่เช่นเราลองพิจารณาดูแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอดูดีครับเช่นข้อข้อห้ามแล้วมีการบรรปัญญานี่ใช่ไหมครับก็หมายความว่าพระองค์ก็ต้องสร้างสมในเรื่องในขมวบารมีมาเนี่ยเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับ ที่จะเป็นได้คขม่าบารมีขั้นสูงสุดเลยที่ต่อไปเนี่ยนะฮะผู้ที่จะบรรลุตามเนี่ยจะต้องมีเนคขม่าบารมีอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่ากระทาให้ยิ่งเช่นการบริจาคนี่นะครับพระองค์ก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่จะเห็นผู้ที่จะเป็นผู้เจ้าได้นั้นในเรื่องการบริจาคนี่นะต้องเยี่ยมนะฮะทุกข้อเลยถ้ามาดูแล้วทุกๆข้อเลยนะครับนะฮะแม้กระทั่งว่าเรื่องอภินิหารทั้งหลายนี่นะในความเป็นมนุษย์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยครับ เพราะว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นเพศที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้บรรลุง่ายกว่าอยู่ในในสวรรค์นี่นะฮะอันที่จริงแล้วทุกข้อนี้มีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ไม่คิดแล้วก็อ่านผ่านๆไปนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองนะ อันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นเพราะว่าผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้นั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังต่อไปเนี่ยนะพึงปรารถนาสมบัติแปดประการนี่หมายความว่าแปดประการนี้ใช่ไหมครับเจริญพรใช่แสดงว่าเป็นเป็นสมบัติด้วยนะเป็นสิ่งที่ดีเนะี่นนยเจริญพรใช่คำว่าสมบัตินี่แปลว่าถึงพร้อมนะผู้ที่จะมีมูลปณิธานสําเร็จได้เนะียจะต้องมีคุณนะสมบัติความถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ และอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วเนี่ยได้ทัศพทธยากรอย่างนี้แล้วจะไม่ถึงอภั พ, พฐานอาภัพเนี่ยนะอาภัพก็คือคําว่าอาภัพนี้สับยังไงดีมันไม่ดีอ่ะนะคนอาภัพก็คือคนที่ไร้ไร้ความหวังหรือคนที่ได้รับความทุกข์อย่างเต็มที่อ่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้มีอภินิหารอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ถึงฐานะสิบแปดประการก็ อ, อย่างเช่นที่หนึ่งจะไม่เป็นคนบ่แต่กําเนิด เกิดมาจะไม่บอดเลยทันทีแต่ประโยคนาววิบัติอาจจะบอดได้ตอนหลังๆนะ้แต่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่บอดแต่เกิดแน่สองไม่เป็นคนหนวกแต่กําเนิดแล้วก็สามไม่เป็นคนบ้าแต่เกิดบ้าแต่เกิดนี่ไม่มีแล้วก็ไม่เป็นคนใบ้เกิดมาจะไม่เป็นคนใบ้จะไม่เป็นคนแคระจะไม่เป็นคนชาติมีลักษะเป็นชาวปลาชาวกระเรี่ยงชาวดอยซึ่งมันพัฒนาไม่ขึ้น่นะ เป็นไม่ใช่ไปเกิดในหมู่ชนที่พัฒนาไม่ขึ้นไอ้คาว่ามีลักขาก็คือเกิดในตระกูลที่มันพัฒนาไม่ได้อ่ะไม่รู้จะเอามาทําอะไรอ่ะสักว่าได้เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นเองเรียกว่าพวกชนมีลักขาจะเป็นลักษณะนั้นกลุ่มคนที่พัฒนาไม่ขึ้นอ่าไม่เกิดในท้องของนางทาสีเกิดมาที่แรกจะไม่เป็นทาตมาตั้งแต่เล็กเลยไม่เป็นแล้วก็จะไม่เป็นคนนิยตามิจฉาทิฏฐิเกิดมาที่ว่าปฏิเสธ พ่อแม่บุยบุญคุณนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะไอ้มิจฉาทิฐิดิงๆอย่างงี้จะไม่เกิดขึ้นในใจท่านท่านจะไม่เป็นลักษณะนั้นเลยและต่อไปจะไม่เป็นคนกลับเพศนะเกิดมาเป็นชายอยู่ดีๆไปแปลงเพศเป็นหญิงเนี่ยไม่มีแล้วก็ต่อไปอีกก็บอกว่าจะไม่ทําอนันตยกรรมทั้งฆ่าถ้าท่านเป็นมนุษย์ทั่วไปไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทําโลหิตุบัตทําเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อ หรือถ้าเป็นพระบวชมาแล้วจะไม่ทำสำังฆเพศย่างแน่นอนแล้วต่อไปนะท่านจะไม่เป็นคนโรคเรื้อนโรคสังคมังเกียดนะจะไม่เป็นแล้วก็อัตภาพสุดท้ายจะไม่เวียนมาเกิดเป็นเดรัจฉานชาติสุดท้ายก็ต้องเป็นตะพุทธเจ้าใช่ไ้ยชาติสุดท้ายต้องไม่ใช่เดรัจฉานแล้วก็ถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะมีอัตภาพไม่ตัวโตกว่าช้างถ้าเป็นตว์เดรัจฉานเน<ม>ี่ยนะจะตัวไม่ใหญ่เกินช้าง แล้วก็ไม่เกิดในขุ ป, ปิปาสิกะเปรตและนิชามะตันหิกะเปรตก็คือเปรตพวกกระหายนา้ําหิวน้ํำพวกนี้จะไม่ไปเกิดเป็นเปรตชนิดนั้นเปรตเกิดมาอดอยากหิวโหยเนี่ยนะไฟไหมอยู่ในทอ้องลักษณะนี้จะไม่เกิดเป็นเปรตชนิดนั้นกขาบอกว่าเอ๊ะเปรตอย่างงั้นมีจริงหรือขนาดคนนี่มันโหยหิวมากอย่างงั้นนี่ยังมีเลยว่าเป็นมนุษย์ยังมีเลยนะไม่ต้องพูดถึงพอื่นแล้วต่อไปนะจะไม่เกิดในจําพวกกาลันชิกาสูนทั้งหลาย กาลันชิกาศูนก็คืออสูนประเภทอดอยากหิ้วโห่อีกนั่นแหละหรือไอ้ประเภทโลกาณานรกอ่ะนะพระโพธิสัตว์ท่านไม่ไปเกิดที่นั่นแน่นอนเชื่อได้เลยว่าโลกาณานรกไม่มีพระโพธิสัตว์อยู่ที่นั่นข้อต่อไปนะไม่เกิดในอเวจีนรกนรกใหญ่ใหญ่ไม่เกิดแต่เกิดในบริวารเฉยเฉแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่ตกนรกนะตกเหมือนกันก็พระเตมีใบอ่ะซึ่งเราเคยได้ฟังมาแล้วใช่ไหมเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีตกนรกแปดหมืนปีก็ผ่านมาบ่อยเหมือนกัน แล้วก็ไม่เกิดในโลกาตันตนรกแล้วก็ไม่เกิดเป็นมารในสวรรค์ชั้นกามาวจรไม่เกิดในอสัญญีพบในรูปาวจรภูมิไม่เกิดในภพสุทาวาทไม่เกิดในอันติมภพไม่ก้าวไปสู่จั ก, กรวาลอื่นคือคือในชาติสุดท้ายเนี่ยนะจะต้องเป็นเป็นแบบที่เป็นนี่แหละคือจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยแต่ในช่วงบำเพ็ญบารมีจะไม่เกิดในชั้นสุทาวาทก็คือสุทาวาทนี้เป็นชั้นของ ผ้านาคามีถ้าเป็นผ้านาคามีแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วแปลว่าชาติสุดท้ายต้องมาเป็นมาเป็นมนุษย์ด้วยมาเป็นมนุษย์และต่อไปนะพุทธภูมิภาวะของพุทธะหรือภาวะของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่สี่อย่างมีภาวะประจำตัวอีกสี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งอุตสาหะสองอุมมกฆะสามอวัธานะ